วันนี้เป็นวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2555วันนี้เป็นวันพืชมงคลวันพืชมงคลเป็นวันในหลวงตั้งแต่ดึกดำบรรมาแล้วก็ทำพิธีหวานพืชหวานข้าวไถนาไม่ว่าเป็นวันพืชมงคล วันพืชมงคลคงจะถือตามประเพณีพวกเรานับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธศาสนาคำว่าพืชมงคลคำนี้เนี่ยในพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจุดโทธนะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินไปแลกนาขวัญคือ หน้านี่แหละน้าจะลงไร่รงนาเนี่ยเพื่อทำเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องประชาชนคือสมัยก่อนแค่แค่ว่าการทำไร่ทำนาเนี่ยคงเป็นชาวนาเนี่ยเป็นเออเป็นคนต่าต้อยเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพระเจ้าเป็นดินท่านมองไกลท่านมองว่า้าว่าไม่มีใครทำนาเนี่ยเราจะกินอะไรนะเราจะกินอะไร ใครจะสูงส่งขนาดไหนก็เถ้าไม่มีข้าวอยู่ท้องะมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินท่านจึงมองเห็นไกลอย่ามองข้ามเรื่องการเกษตรกรรมหรือการทำนาเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินลงมาไถนาให้ดูเองการทำนาไม่ใช่เรื่องต่ำต้อยนะเป็นเรื่องปากเรื่องท้องนะนี่แหละสมัยนั้นถึงถือว่าเป็นประเพณีของพระเจ้าแผ่นดินเลย สมไมครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าพระเจ้าจุโทธทนะที่เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าตะนอนไปนแลกนาขวัญนะถึงเวลานาแล้วก็เอาวัวควายลงไปแล้วก็ทงจะทําจริงๆนะนะนะคงจะมีพิ ธ, ธีกรรมพิ ธ, ธีการอะไรอยู่ในท้องนาจากนั้นก็นลงในท้องนาจริงๆแต่ทุกวันนี้ของเราในไถในสนามหลวงนะแต่พระเจ้าจุโทธทนะนะคงจะไถในท้องนา ในช่วงที่ทำไมจึงว่าไถในท้องนาเพราะในพุทธประวัติปีหนึ่งเพราะพระพเจ้าของเราเนี่ยเป็นสิท ธ, ธายัางเป็นเด็กยังหยุมน้อยอายุยังหนุ่มน้อยน้อยมากเวลาไปแลกนาขวัญปีนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจุตโธธนะลงไปทำพิ ธ, ธีอยู่ท้องนานางนมคือผู้พระแม่เลี้ยงของสิทธะ เ, เป็นผู้ดูแลสิทธะ มีหลายคนแล้วก็เอาไปปูที่พักพาอาศัยเพื่อไปเนี่ยไปแลกนาขวัญไปอยู่ที่ร่มต้นว่าคือท้องน้ำก็ต้องมีต้นว่าต้นว่าต้นไท้ต้นจานต้นตะโกอันนั้นก็คือท้องนาชอบมีต้นไม้อย่างนี้วันนั้นก็ไปพักอยู่ที่ร่มต้นว่าสมัยนั้นก็คงจะไม่มีเต็นท์อย่างทุกวันนี้แ้าทุกวันนี้ก็คงจะกางเต็นท์ ที่พับพาอะไรแต่นั้นท่านก็ไปกัไปพักหยุดที่ร่มต้นว่างสวนพระเจ้าจุดโทธนะกับบริวารก็ลงไปไถนาทําไปแลกนาขวัญเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลเพื่อจะให้ฟ้าฝนถูกต้องตามฤดูกาลเพื่อจะให้ชาวนาเป็นตัวอย่างในการทําไร่ทานาในยุคสมัยนั้นแต่นี้ยเมื่อพระเจ้าจุดโทธนะลงไปในท้องนา สิทธะที่เป็นพระราชโอรสที่เป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยก็ไปพักอยู่ที่ต้นว่าจากนั้นพระองค์ก็หลับฮะนอนหลับพอนอนหลับพวกผี่เลี้ยงนางนมก็อยากจะไปดูวิธีแรกนาขวัญของพระเจ้าจุฑโทธนนาทําอย่างไรไท่านก็พร้อมกันเฮโลไปไปยืนดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาฮะจาะนั้น สิทธะที่เป็นเด็กน้อยสองสามขวบเนี่ยพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นไม่เห็นพี่เลี้ยงนางนมกัลุกขึ้นมากันนั่งกัดสมาธิอ่ะพ่อนั่งกัดสมาธิทำกายให้ตรงแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในวันนั้น ท่านเกิดยานรัตชนะเกิดฌานเกิดเป็นสมาธิแล้วก็มีอภิเนหานล้มต้นว่าตัวนั้นไม่มีเงาคล้ายๆกับว่าเงามันเหมือนกับมันตรงลงไปเลยแดดไม่สามารถที่จะส่องเข้ามาถึงสิทธะได้แปล ว, ว่าเงาต้นว่าตัวนั้นตรงและเป็นที่แปลกใจจากนั้นพวกพี่เลี้ยงนางโนมเห็นว่าพระเจ้า ท, นะทูตโททนะทาพิธีเสร็จแล้วก็ลำลึกถึง สิทธัตถะเออพระลูกเจ้าเราเป็นยังไงใครเฝ้าอยู่ที่นั่นใช่ที่ไหนได้ไม่มีใครเฝ้าสักคนคก็เฮโลกันมาเห็นแต่สิทธัตถานั่งกัจสมาธิีนิ่งจากนั้นพวกผีเลี้ยงนางโรมมาถึงพระองค์ก็ออกจากสมาธิแต่ในใจของพระองค์พระองค์ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากในขณะที่นั่งสมาธินั้นนี่แหละอันนั้นก็คือเป็นบาทฐานหนึ่งที่ พระพุทธเจ้าที่ท่านได้นั่งสมาธิอยู่ที่โครนต้นว่าเป็นครั้งแรกจากนั้นเมื่อพระ อ, องค์จะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนเมื่อพระ อ, องค์อายุ29ปีแล้วก็สา ร, ราชสมบัติไปบําเพ็ญอยู่ในป่าบําเพ็ญอยู่หปีนี่นะไปบาเพ็ญอยู่6 ป, ป, 6ปีวันที่จะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั่น พระ อ, องค์นั่งขัดสมาธิอยู่ที่โครนต้นโพนะแต่นั้นพระ อ, องค์ก็ล้ำลึกถึงสมัยเป็นกุ ม, มารว่าสมัยเมื่อเราเป็นกุ ม, มารเป็นเด็กเราไปแลกนาขวัญกับพระพบิดาพี่เลี้ยงนางนมได้ออกจากเราไปเรานั่งอยู่ตามลำพังเรานอนอยู่ตามลำพังพอลุกจากการนอนขึ้นมาเราก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรง จากนั้นเรากำหนดลมหายใจเข้าออกใจของเราเข้าสู่ความสงบอันนั้นกำมังจะเป็นหนทางที่เราจะได้บำเพ็ญในวันนี้นี่แหละเมื่อพระพุทธเจ้าท่านนั่งจุคโคลนตนโพท่านลํำลึกถึงสมัยเมื่อเป็นกุ ม, มารนั่งขัดสมาธิพระไทยหรือใจของพระองค์รวมสงบเป็นหนึ่งจากนั้นพระองค์ก็ได้ใช้แนวทางนั้น่ะ แนวทางสมัยเมื่อเป็นกุ ม, มารพระองค์ก็นั่งกัดสมาธิเมื่อนายโสธิยะนำยากามาถวายแปดกำมือแล้วก็เกลี่ยลงที่โคลนต้นโพในช่วงนั้นพระอาทิตย์กําลังจัดอัจฉริเป็นภาษามาลวอัจฉริยคือว่าตกดินยังไม่ตกดินก็ยังมีแสงสว่างอยู่นายยุษโสธิยะนำยากามามอบให้จากนั้นพระองค์ได้ยากาแปดกมือ วางลงที่โคลนต้นโพทางทิศ ต, ตะวันออกของต้นโพจากนั้นพระองค์ขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งสมาธิกัดสมาธิอย่างที่สมัยท่านเป็นกุ ม, มารนั่นสมัยท่านเป็นสิท ธ, ธะที่เป็นกุ ม, มารที่ไปแลกนาขวัญกระพบิดาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้า หายใจออกในปฐมยามคือยามยามแรกคือสองสามทุ่มยามแรกแต่ว่าปฐมยามมัดชิมยามคือเที่ยงคืนสามสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มมัดชิมยามปัดชิมยามคือยามจุดท้ายตั้งแต่ตีสองตีสามจนถึงสว่างรล้วว่าปัดชิมยามอันนี้เมื่อปฐมยามพระพุทธองค์ น, นั่งกัดสมาธิใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตชนะเกิดฌาน เมื่อเกิดฌานเมื่อจิตสงบรวมสงบนิ่งแล้วเกิดฌานเกิดญานรัตนะพระองค์น้อมจิตที่รวมสงบแล้วนั้นย้อนไปดูอดีตแต่อดีตแต่ชาติอดีตเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนข้ามภพข้ามชาติเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เนี่ย น, นี่แหละอันนี้ก็คือเสื่อเรื่อเรียกว่าวันนี้ในครั้งพุทธการมีไหมเนี่ยวัน พืชมงคลเนี่ยมีเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจากเป็นตระกูลของพระเจ้าเป็นดินเป็นผู้พาดําเนินเป็นผู้พาทำนาเพราะการทํานาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยแต่ประเทศชาติไหนก็ตามถ้าไม่มีข้าวจะกินแล้วชาตินั้นจะรุ่งเรืองไปได้อย่างไรเพราะไม่มีอาหารเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากต่อมนุษย์ชาติต่อสรรพสัตต์ทั้งหลาย พระพุทธองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีว่าสัพเพสตตาอาหารฤทธิการสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนถ้าว่าขาดอาหารแล้วเป็นไปไม่ได้จู่ไม่ได้จะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญแต่ถึงยังไงถึงจะอาหารจะเป็นเรื่องสำคัญก็จริงแต่ว่าถ้าทุกคนมีความพร้อมเพียงสมัครีกัน รู้จักแบ่งหน้าที่กั น, นคนหนึ่งทำไร่ทานาคนหนึ่งทำรั้วทำสวนคนหนึ่งทำถนนห น, นทางคนหนึ่งก็สอนวิ ช, ชาอาชีพคนหนึ่งก็ทำเสื้อผ้าอาพรคนหนึ่งก็ทำยุกทำยาแก่โรคภัยไข้เจ็บถ้าทุกคนมีหน้าที่รู้จักหน้าที่ของตนเองโลกทั้งโลกมันก็แบ่งหน้าที่กัน ไม่ใช่จะสำคัญแต่อาหารอย่างเดียวก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็สำคัญเหมือนกันแต่ถ้าทุกคนให้ความสำคัญคือซึ่งกันและกันให้ความพร้อมเพียงสมัคคีกันประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขชนในกลุ่มนั้นก็เป็นสุขโลกในยุคนั้นเป็นสุขถ้ารู้จักแบ่งหน้าที่กันแต่ถ้าว่าไม่รู้จักแบ่งหน้าที่กันใครก็บอกตัวเองเป็นบุคคลสาคัญ แต่หลวงพ่ออินบอกว่าค่าเนี่ยสำคัญกว่าหมู่เพื่อนถ้าข่าไม่สอนสุเา้าจะรู้จักธรรมะได้อย่างไรเนี่ ย, เ, ยเราจะไปให้ความสำคัญอย่างนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีใครถวายอาหารในหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินจะไปพูดได้อย่างไรนี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเพราะนั้นความสำคัญในการเป็นอยู่มันพึ่งพาอาศัยกันคนหนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่งได้หนึ่งสรุปแล้วก็คือทุกคนต้อง มีความตั้งใจในธรรมข้าพเจ้าทำหน้าที่ไหนข้าพเจ้าจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนคือให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทั้งตัวของเราด้วยนี่แหละถ้าว่าพวกเราคิดได้และทำได้อย่างนั้นการเป็นอยู่ด้วยการโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันแต่ถ้าหาว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีความสําคัญว่าตัวเองเป็นผู้เลิอดประเสริฐกว่าใครทั้งหมดจากนั้นก็เหยียบย่ําคนอื่นเขาไม่มองเห็นคนอื่นเขาอว่าตัวเองสําคัญผลในสุดคนนั่นก็สําคัญคนนี้นก็สําคัญ ต, คต่างคนก็ต่างให้ความสําคัญกับตนเองผลในจุดก็ทะเลาะกันพอทะเลเ า, ะาะกันก็เกิดฉึกสคมคำฆ่ากันเบียดเบียนกันแล้วก็เลยจิบหายไปทั้งฝูงทั้งหมู่ทั้งคณะ ว่าอะไรเพราะว่าไม่ให้ความสำคัญจึงกันละกันแต่ตามจริงมันสำคัญทุกคนไม่ให้ความสำคัญเออเหมือนกับเท้าของเราก็สำคัญมือของเราก็สำคัญขาของเราก็สำคัญออลำไส้ปอดตาของเราสาคัญหูของเราสำคัญมันสำคัญทั้งหมดในร่างกายของเราเอออันไหนไม่สำคัญในร่างกายตัดออกสิตัวไหน ในร่างกายของเราที่อันไหนไม่สำคัญสรุปแล้วก็คือสำคัญด้วยกันทั้งหมดจึงเป็นร่างกายของเราเราไปที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะเหตุหเพราะร่างกายมีความพร้อมเพียงสมัครคีกันทางว่าตาแตกสมัครคีซะหูออกสมัครคีซะหูตึงซะฟันไม่สมคัครคีฟันหลุดซะเนี่ยลิ้นของเราขาดซะเป็นแผลซะไม่สมัคคีกัน ร่างกายนะ่าจะเป็นสุขได้อย่างไรนี้ก็เหมือนกันคนในชาติทุกหมู่ทุกเหล่าทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งพลนาเรือนพี่ภากษาอายการพระสงฆ์องค์เจ้าพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสําคัญด้วยกันทั้งนั้นถ้าพวกเรามีความพร้อมเพียงสมเกียรู้จักหน้าที่นะรู้จักหน้าที่หน้าที่ใครทําหน้าที่อะไรทําให้ดีที่สุดอย่าให้ขาดตกปกพ้องในหน้าที่นั้นนะ นี่แหละจุดนี้แหละจุดสําคัญถ้าพวกเรารู้จักหน้าที่แล้วพวกเราอยู่ในสถ า, านที่ใดร่มเย็นเป็นจุบทั้งหมดทั้งประเทศชาติบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้กําลังประชุมกันกฎรัฐธรรมนูญแก่กันไปเกียกันมาแก่กันมาเกียร ก, กันไปแต่ผลที่สุดก็ทํำยังไงแต่ตามไม่จริงทุกคนมีฮิริกระอตตะปะฮิริคือความละอายแก่ใจอตตะปะคือความกลัวต่อบากรู้จัก ว่าอะไรเป็นอไหนให้รู้จักมีศีลมีธรรมในใจศีลธรรมและธรรมคืออะไรศีลห้านี่นี่ศีลหลักของพุทธศาสนาศีลห้าถ้าคนมีเน้นไปทางศีลห้าอย่าไปคิดฆ่ากันนะอย่าไปคิดขโมยกันนะอย่าไปโคดโกงกันนะอย่าไปเบียดบางกันนะอย่าไปคอรับชั่นนะอันไหนเป็นอันไหนอันนี้ถูกไม่ถูกควรไม่ควรรู้แก่ใจ พอเราได้รับการศึกษามาดีด้วยกันทุกคนแล้วมีฮิริมีอตะปะนะอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะสามีภรรยาลูกหลานของใครเคารพสิทธิของเขานะอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงเขานะอย่าไปเสพของที่มึนเมาของที่จะขาดสตินะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคนในชาติมองสิ่งที่มันเสียหาย สิ่งที่มันจะทําให้ตัวเองเสียหายชุมชนเสียหายมองไปในทางที่ดีนในทางที่ถูกต้องในทางที่ไม่เบียดเบียนกันไม่คดไม่โกงไม่พ่นไม่ขีไม่ขโมยกันละลาบละล่วงสามีภรรยาเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันไม่เสพ ย, ยาเสพติดของเหมือนเมาให้ขาดสตินี่แหละไม่ไม่สิ่งที่มันไม่ดีไม่ถ้านลูกคนไม่ทําความชั่ว ที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้ที่ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้หลวงพ่อว่าพวกเราก็จะประสบความสุขความสบายใจในระดับหนึ่งเหมือนกันนะมีความร่มเย็ยนผาสุขในชุมชนสังคมของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเร า, เาคิดจะฆ่าใครก็ฆ่าอาจะตีใครก็ตีจะเตะใครจะต่อยใครอยากจะทําอะไรก็ทําไม่มีเมตตาไม่มีใจมีเมตตา ถ้าเราไปทำให้แก่เขาเขามาทำให้กับเราคิดดูสิถ้าเราไปทำกับเขาอย่างนั้นเขามัาทำกับเราอย่างที่เราไปทำให้กับเขาเราพอใจไหมถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่ควรจะทำอย่างที่เราทำนี่แหละเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนั้นสินศีลธรรมจากนั้นก็ในเมื่อเราไม่ฆ่าเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่รังแกเขาไม่ทุกไม่ตีเขาไม่เบียดเบียนเขา จากนันเขไม่ขโมยเขาอีกเขามาขโมยของเราเราขโมยของเขาเนี่ยคำว่าขโมยคํานี้มันไม่ใช่ขโมยธรรมดาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆขโมยเงินในธนาคารธนาคารมันมีช่องทางทั้งหมดขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาไปเรียกค่าไถยอย่างนี้ล้วนได้แต่เป็นขโมยถ้ามีขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองขโมยทุกแห่งทุกคนเราคิดดูสิว่าจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อขโมยอย่างนั้น สามีภรรยาลูกหลานของใครเขาตามเท่าไปแล้วไม่เคารพสิษิ์ซึ่งกันละกันนะจะหาความสุขได้ที่ไหนเนี่ยนะศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องวัดของคนดีสรุปแล้วถ้าคนใดก็ตามมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผัสสุกในตัวเองเป็นอันตรแรกจากนั้นก็ห่อแม่ผี่น้อง ญาติโกโหติกาประเทศชาติบ้านเมืองร่มเย็นเป็นจุกโดยกันทั้งหมดถ้าเป็นภูมิศิณธรรมแต่ว่าขาดจิณธรรมแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้นะประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้สรุปแล้วก็คือความสําคัญมีความสําคัญด้วยกันทั้งนั้นสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าจุโฑทนะการทํานาพระเจ้าเป็นดินอยากให้ความสําคัญในการทํานา ท่านไม่ได้มองข้ามว่าพวกทํานานด่ตาต้อยไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินพาไถนาเองพาทํานาเองเป็นผู้แลกนา ข, ขวัญเองประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีข้าวจะกินอใครจะอยู่ในสถานนั้นไหนก็อยู่ละมันอยู่ไม่ได้โดยกันทั้งนั้นถ้าข้าวยากมากแพงไม่มีข้าวจะกินเพราะนั้นเรื่องข้าวอาหารนีเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินท่านไม่ได้มองข้ามท่านจะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของท่าน ท่านจะต้องมีพิธีการทำนาให้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนโอ้ขนาดพระเจ้าเป็นดินยังรงมาไถนาให้เห็นเนี่ยขนาดไหนเนี่ยพวกเราเนี่ทำไร่ทำนา เ, นเลี้ยงชีพเนี่ยมันไม่ใช่วิชาอาชีพต่ำนะพวกเรามีอาชีพสูงส่งเหมือนกันเมื่อเราทำนามีอยู่มีกินแล้วเอาขายพอขายแล้วก็ได้เงินมาเพื่อเลี้ยงครอบครัวของตนเอง แต่ทุกวันนี้มันเป็นถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นการทำมาค้าขายเป็นพาณิชย์เอาลัดเอาเปรียบกันโอ้ดูดูแล้วก็หลวงพ่อว่าผู้ใดมีหน้าที่เป็นคนกลางทั้งที่จะส่งเสริมกันชาวไร่ชาวนาเพราะเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่ผมได้ชูดคนนั้นกินชาวไร่กินชาวนากินกระดูกสันหลังของชาติ จนกระดูกสันหลังของชาติไม่มีวันผุดวันเกิดเพรพะมันกระดูกมันก่อนฮนะเพราะว่าผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่ากินกระดูกสันหลังของชาติหมดจนชาติพวกชาวไร่ชาวนานะจนยกคอไม่ขึ้นชูคอไม่ขึ้นเหมือนกันะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ที่หลวงพ่อพูดนะไม่ได้พูดเกินเลยนะครับนะผู้ที่รวยก็รวยแต่ผู้ที่จนก่อนนี่แหละสรุปแล้วก็คือ ผู้มีอำนาจเหนือกว่าผู้มีปัญญาเหนือกว่าต้องกินคนโง่เป็นธรรมดาแต่ถ้าว่าผู้มีปัญญาก็จริงอยู่แต่มีคุณธรรมมีจ ร, ริยธรรมในจิตใจมีฮิริโอตตปะเนื้อเขาเราต้องแบ่งกันนโลกมันก็น่าอยู่แต่ถ้าว่าโลกทั้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้เพลิดเพลถ้าชาวนาเขามี สติมีปัญญาขึ้นมากันนั่นแหละ เ, หเดินขบวนจะตรงสไตรย์กันเกิดจุงเหยงวุ่นวายไปทั่ทุกหัวละแหงอีกเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือขา ด, รขาดจริยธรรมขาดจริยธรรมขาดเฮริโอตตปะในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทันว่ายอย่างนั้นนะอันนี้เป็นกระแนวทางเป็นแนวทางของพวกเราจะต้องฟังจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้อีกเหมือนกันนะการอยู่ด้วยกันมันมีหลายแนวทาง ที่จะให้ร่มเย็นเป็นสุขที่จะให้ทำให้คนทุกข์เดือดร้อนจะทำให้ทุกๆเดือดร้อนก็มีแต่จะทำให้ร่มเย็นเป็นสุขก็มีแต่ว่าพวกเราจะเลือกเอาสายไหนแต่ถ้าว่าคนไม่ดีคนไม่มีศีลธรรมจริยธรรมสรุปแล้วก็คือว่าคนชั่วคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคนชั่วทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากพพระพุทธเจา้าท่านตรัสอย่างนั้น แต่ว่าคนดีทําดีได้ง่ายทําชั่วยากเนี่ไมจึงทําชั่วยากเพราะว่าทําชั่วมันยากนะเพราะเราจะไปคดไปฆ่าไปป้นไปจี้เขามันทําไม่ได้แต่ว่าถ้าคนชั่วอยู่แล้วเป็นของธรรมดาง่ายมากแต่ว่าทําความดีเนี่ยมารักษาศีลมาปฏิบัติยากแค่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสมาคนชั่วทําชั่วได้ง่ายทําดียากคนดีทําดีได้ง่ายทําชั่วยาก เนนี้หละจากนั้นให้ถามพวกเราทิพวกเราทุกคนให้ถามตัวเองข้าเนี่ยคิดชั่วคิดชั่วง่ายไหมทําชั่วง่ายไหมพูดชั่วง่ายไหมถ้าง่ายแสดงว่าเราชั่วอล่งนั้นถ้าถ้าเราคิดดีทาดีง่ายไหมพูดดีง่ายไหมทําดีง่ายไหคิดดีง่ายไหมถ้าง่ายเออเราเป็นคนดีฮงไม่ต้องถามใครนะถ้าไปถามคนอื่นเดี๋ยวเขาโมโหให้ไม่ได้นะ อันลับพร อ, น, อนโมทนาให้พร